จะเป็นผู้พูดถ้าทั้งหลายเป็นผู้ฟัง <c oughs> มีผู้ฟังมีผู้พูด <c oughs> ก็ยังก็มีหวังอยู่ <c oughs> ถ้าความแล้วจำเอาก็ยังไม่ค่อยจะดีวามแล้วออกไปทำมมานี่แหละดีที่สุดทำ <c oughs> แล้วทำไม่เติม ชิงที่พูดนี่ทำเป็นทำได้ทาาุกกิวิต มันมีตรงกันข้ามทุกอย่างเราอยาาเปจนให้ทำลงไปเช่นมันหลงเราก็ต้องไม่หลงให้ความหลงท้าไม่หลงไม่หลงนี่เราทา ในควาหลงเป็นคราหลงไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยทิ้ <c oughs> าายุ่งเยิในทุกข์เราก็ให้ไม่ทุกข์ถ้าความทุกข์เป็นคราทุกข์ไม่ได้ทำก็เลยปล่อยทิ้งไ้อะไรก็ตาม ที่มีเป็นที่มันเป็นปัญหาถ้าว่าเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรถอามันเป็นปัญหาเรามีปัญญาตรงปัญหาในคายในเใจเราเนี่ยมันทาได้อืมันทําได้เราจึงทำจะไปจน ให้เส้นข้างที่หนึ่งข้างที่สอ ง, งมือสองข้างที่หนึ่งต่อไม่หลงข้างที่หนึ่งให้ให้ทำงานแบบนี้กันนี่คือวิธีนี้คือกรรมฐานงานกรรมฐาน สรุปแล้วทั้งหมดมันือยทำให้เกิดเป็นทุกข์ปัญหาสาระต่างๆเกิดจะกข้ายจากใจเกิดจากทุกข์จากธารม เกิดกับลูกกัน้ํากับกายกับใจไม่เคยมีทุกข์ไมไ่เป็นทุกข์สับเรื่องเลยไม่เอากายเอาใจมาเป็นทุกข์ไม่เอากายเอาใจมาเป็นทุกข์เด็ดขาดเด็ดขาดไปเลยตอได้หลับ ง, ง่ามหลง ใ น, ในใจนนะอะไรก็ตามดังที่เราพิจารณาสังขานหรอในสังขัหรือร่างกายจิตใจที่เป็นรูปเป็นนามที่เป็นรูปเป็นทางทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว ไปมีเล้าหายไปอยากเป็นทุ ก, ทกข์เพระความไม่เที่ยงอยากเป็นหลงกพาไม่เที่ยงมันมีอยู่อย่างนั้นจะให้มันเที่ยงได้อย่างไรนี่คือเฉลยได้ขังขันพิรำใจจิตใจเรารู้ทำนองทำท่ามันท้องชิ้มมันเป็นทุกข์ทนยากเกิขึ้นแล้วแก่แกบตายไปแน่นอนที่สุด มันเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเขาต่าหาเขียแล้วทราบแล้วทร <c oughs> าบความเกิดทราบความแก่ทราบความเจ็บทราบความตายเราไม่ออกมาเป็นปัญหาต่อเราเราเหนื่อยล้านแล้วชีวิตเป็นของไม่เที่ยงคของตายเป็นของเที่ยงชีวิตคือรูปคือนามนี่มาไม่เที่ยง ลูกน้ำต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเราลูกแล้วลูกต้องแงก่ายุยี่สิปีสามสิบปีสี่สิบปีจนถึงที่สุดของชีวิตไม่ได้ทุบควาเกิดไม่ได้ทุบความเก็ไม่ได้ทุบควงเก็บไม่ไทุบความตายเราไม่เป็นเลยกับสิ่งเหล่านี้ภาษานอะไร ถ้าติดคิดก็เป็นทุกข์ต่อาหาความคิดมาเป็นทุกข์บงแต่งอันนี้ก็เป็นนามาลูกปัญหาที่เกิดจากรูปจากนามเลยนา ม, มาลูกมันเกิดอยู่บนลูกนามมันก็ยิ่ง ยิ่งน่างานมารูปมันเกิดจากความคิดที่ว่าทรรมันก็ยิ่งไม่ใช่ตัวใช่ตนอันรูปานามก็ยังพอที่จะมีจริงตรกันข้าวเช่ น, นันร้อนมันก็ต้องเข้าร้อนออกหนาะ หนาวก็ต้องผ้าหรือเสียงปินี่ยังมีปัจจัยข้างนอกนาช่วยย้งทำได้แต่นํามาูปเนี่ยคิดนิดหน่อยๆที่จะ เ, เกิดความคิดหลงลขึ้นมาจุวธทําท ำ, ทำเป็นอกุศลไม่ดีทั้งที่เป็นกุศลดีไม่ดีคือทุกิลิคือสุข ทั้งสองอย่างเป็นสังขาญเป็นสังขารไม่ใช่ตัวใช่ตนนิดหน่อยง่ายๆน่าจะน่าจะบัดเนื้อเดียวนะแค่คงส่วนหยาดเป็นทุกของความคิดนี่มาสมุนขึ้นมาเป็นนามรูปแบบนี้นามรูปมันดำ ไม่เหลือไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดมามารูกอีกต่อไปจะให้เป็นสุขทุกความคิดจะไม่มีอีกต่อไปแล้วนีมันง่ายๆอย่านี้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาไมา่ลูกเป็นเรื่องใหญ่มันเข้าถึงเนื้อถึงตัวทุก ข, ท ก, ข, ท ก, ขททกทุกตอนตี เวลาทมงนานเรื่องวันชิดเรื่องไหนจะคิดได้งาน จ, จะง่ายในทางที่จะไม่ตกถ้าเราไม่สุดใแต่ก็รูปงานนี้ตาแก่ไม่เคยร้นนั่งนานปอดอาวดแขนปวดขาเดินนานปวดเมื่อย เ, อเหนื่อยไม่ลอหรือกงไปใช่ติด ใช่มันผิดมันจึงไปทุกข์เป็นโทษนี่จํงเป็นวางยาที่ต้องใช้กลอมแดดก่อนฝนทำการทา ง, งานทำมาชีพมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเพราะใช่ใช่ไม่ถูกใช่รีกแรงงานาเกิดไ้มันก็เกิดโทษตาแต่ว่านามรูปเนี่ย เราสุขส่วนต่นางหาไม่จําเป็นต้องไปทาํากระดาษนะแต่วันเวลาใดที่มันเกิด <c oughs> ได้ขึ้นมาไม่เป็นไม่ต้องง่ายง่ายเลยพลิกตาเดียวไม่เหมือนกับรูปน้ำต้องมีส่วนโกะจึงจะจึงืะใช่ต่างมันหิวต้องกินข้าวแต่น้ำรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก เรียกว่าอาการกิ ค, ความอาการที่เกิดตั้งเนี่ยเรียกว่าสุขวั่งนะไม่ต้งเรียกว่าสุขวัตถ <c ười> เรียกว่า <c ười> เป็นกราการมเชิงเฉลี่ิดนิหน่อยนะแต่ถ้าเราไม่รู้ไมศึกษาเป็นเรื่องใหญเรื่องโตเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นภพภนชาต อาการที่เกิดกับนามลูกเนี่ยถ้าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติอาจจะเป็เปเป็นชั่วรกรเป็นสนนโกเป็นกระฉามมีทุกข์จริงๆมีมีบากจริงๆมีกรรมจริงๆถ้าเราเแล้ว สิ้นพวกิ้นชอหมดกองจริงๆง่ายๆอย่างเนี้ยตัวเดียวว่าเอาละเราเนี่ยมันมีลูกมีนามเนี่ยแล้วคนนั่งอยู่นี่มีลูกลูกอะไรได้มีนามมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้ใช้ให้สเร็จประโยชน์ได้จริงๆนะ หรือว่าต่อยอดกีวิตต่อยอดของคนที่มันมีลูกมีนามเนี่จะได้ใช่เอาให้สำเร็จประโยชนต่อยอดจากมันยอดที่ต่อจากลูกจากนามมันเกิดมากเป็นผลทั้งไม่โตมันก็กลายพันธุ์นจาก ชีวิตที่เป็นคนตายเป็นสัตว์โลกเป็นเรียนานศาสตร์ิที่เป็นรูปเป็นนามต่เป็นสัตว์โลกเรียนานพัฒนกายเป็นไปใครโน่นไปทำต่อมไปโน่นถ้าไม่ศึกษามันน่ะมีไหมคโกรธมีไหมวาทุกข์มีไหมมันไม่ใช่มาเกิดมาเป็นโกรธเป็นความทุกข์เป็นความหลงรูปนามเนี่ยมันเกิดมา เราเลยใช้มันให้มันสำเร็จประโยชน์จากมันเหมือนมีพวกนี้เธอ้องขี่ข้าวข้าวไงได้จนกว่ามันจะผูกจะผางสำเร็จประโยชน์เหมือนของเก่าที่อยู่ในบ้าอเราจักญยาตั้งแต่ซื้อมาใชยเป็นร้อยปีเห็นเราก็ชื่นใจ มีภาษากกรจังหวัดขนมอยู่โชวหมาแล้วยังโชว์จักรยานให้ดูโอ้ใช่ตั้งแต่เป็นนักเตยียดกังยางอย่จอดอยู่ใต้ถุนบ้านนี่คือของใชยอันรูปนามเนี่ยเครื่องใชยของเราไม่ใช่มันเป็น ทุกเป็นโทษนะไม่ใช่มันเป็นทุกเป็นโทษมันมีประโยชน์นะนรูปนามถ้าไม่มีรูปนามไม่มีมรรคผลไม่มีอะไรเชื่อมได้บางคนอาจจะทำไม่ได้เช่นพ่แม่อาจจะทำะไม่ไดหรือทำได้แต่บางคนนี่ไม่มีใครไม่ทำอะไรท ำ, ทำอะไรไม่ได้เลยแต่บางคนทำได้ เช่นคนลหลงวางคนก็ยังหลงอยู่จนตายความโกรธก็ยังโกรธอยู่จนตายความทุกข์ก็ยังทุกอยู่จนตายแต่บางคน เ, คงคงเขาไม่หลงแล้วความหลงทำไมเขาไม่หลงแล้วความทุกข์ทำไมเขาไม่ทุกข์แล้วความโกรธทำไมเขาไม่โกรแล้วปัญหาไม่มีปัญห า, า, ญหาแล้วรูปดมมาวมันทำได้ไหม สิ่งที่เป็นทุกข์ก็ไม่มีสิ่งที่เป็นทุกข์มันมีอยู่จริงๆในรูปในงามเนะี่ยมันยังสืบทอประโยคนที่มาต่อยอดต่อมาเห็นความขอ ง, งมันน่าจะยิ้มบ่มันเป็นประอุสุเป็นเรื่องที่ไม่โชคมั น, นงานเขาบอกว่าเห็นความทุกข์ น่าจะยิ่งแย่งแฉมฉาจะได้จะได้ทํากับมันถ้ามันมีทุกข์มาขยันตรงนี้นะมันหลงขยันไม่หลงมันทุกขยันไม่ทุกมันโกขยันไม่โกดนี่คือกรรมฐานแล้วขยันที่ขยันรู้ขยันรู้ จึงจะเห็นความหลงเพราะมันตรงกันข้ามขยันรู้จึงจะเห็นความโกรธขยันรู้จึงเห็นความทุกข์ถ้าไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งจะไม่เห็นสิเหล่านี้ครับเพราะหลงก็หลงไปเอยจึงไม่เห็นหลงเป็นหลงแสดงว่าไม่เห็นทุกเป็นทุกแสดงว่าไม่เห็นโกรธเป็นโกรธแสดงว่าไม่เห็น ก็เกลียดวดเหมือนกับคนเห็นงูจะถูกงูกัดคนกเห็นตอจูสะดุดตคนม่เห็ น, หนเกลียดน้ำอันนั้นมันเป็นที่กนแต่ว่าในรูปในนานี้สิ่งที่มันเคยเกันมันยัอยู่ในนี้จะเป็นความหลงความกวดความทุกข์เกิดอยู่ในนี้ ไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องไปสะดุดภายนอกมันอยู่ในทัวของมันเองน่าจะน่าจะซือ้อทัวรโคยมอื่นการที่ตึกกรรมฐานตัวใจกัวใจาระโลมีตตสติมันก็เจอความหลงควที่ เป็นคู่นะตัวลูกคู่กับความหลอมัวรู้สึกตัวเนีสวเหมือนกับตาคู่กับลูก เ, เนี่ยหมูคู่กับเสีย ง, งเนี่ย่แต่ว่าตาคู่กับลูกเัเป็นคนทั้งเป็นโทษหมูคู่กัเสียงทั้งเป็นคทน ท, คทั้งเป็ น, ทปนโทษ แต่ว่าวงมรู้คู่กับความหลงคู่กับความทุกคู่กับความโกรนไม่แต่คุณอย่างเดียวไม่มืน่ออดหมูต่อหมูต่อหูจมูกดิ้นกายเลรู้ว่าจินเสียงอันนมันเป็นวัตถุกล่มาขุณได้แต่ว่าความรู้จะตัอคู่กับวงมหลงคกับรต่างประกาต่างมันเป็น คชอบอยู animals animals. Animals ่โดยชอบอยู่โดยชอบมีแต่ทุกคนไม่ยกเป็นใรในขอเสนอข้งขี้ข้อขี้ขดำสิ่งที่ท่าหลงเราไม่หลงเกิดหลงเมื่อไงหลงเมื่อเดียวกัน จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักปวดเป็นค่าวว่าประโยชน์มันเดียวกันสิงที่ท่านเป็นทุกน้องไม่ทุกสิ่งที่านโกรธน้ อ, อไม่โกรธมันมีนในโลกเนี้ยไม่ใช่ไม่มีีวิธีเป็นรูปเป็นน้องเหมือนกันเนะวลามันโกรธเราก็มีคิดไม่โกรธ เวลามันทุกข์เรามีสิทิ์ไมุกเวลาเราหลงเรามีสิิไม่หลงมันจะอยู่ที่หนลนะ่ะสิทธิที่ของเราถ้าเรามีสติมันจะมีสิทธิ์่เป็นธรรมะที่ปิปไต่อัตตาที่ปิปไตาธรรมาที่ปิปไตา โลกาที่ปฏิตามันเป็นไปของมันเองอัตมาที่ปฏิต า, ม, า, า, ม, า, ม, ามีรูปมีนาเอาไว้ให้ให้สำเร็จประโยชน์มันหลงใช่ไหมหลงนี่ว่าอัตตาที่ปฏิตาสิทธิของเราอย่าตกไป็นจมเลยของของหลงจะให้ความหลงเป็นโฉย่าให้ ลูกนามตกเป็นจมเลยของโจด ค, คือกองหลวงข่มทุกอัตราที่วัดตายทำมาที่ตระจายความหลงไม่เป็นทํามกองไม่หลงนี่เป็นธรรมด้วยทำมาที่ประาจาตกต้องต้องไม่ต้องไปขอขายไม่ต้องไปอริญาตให้ใครอยญาตให้เราได้ สิทธิรรมอัตตาที่มุตาธรรมที่มตาทำมทำไมึงเว่อรของทยามดีเสาเสเสี้บของทุกตักวมไม่ชเียเี้ดีบ โ, โดตชเยเสี้บเี้บของลของตางชย ไม่ความรักความสั่ไม่ความพอใจไม่ความไม่พอใจมาเช่หรือหนูมีสติไม่เป็นอะไรถ้าเราเชิมสติเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยในในโลกนไม่เป็นอะไรแม้จะ่ลูกแต่ละมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรนี่สธิของเราหลงมีสิทธิไม่หลงไม่เป็นผู้หลงก้นจะความหลง มันทุกมีชีวิตไม่ทุกไม่เกิดผู้ทุกพ่นจอดของทุกมันไปแบบนี้นะปฏิวัตนะิธรรมน่ะมันเป็นงานจริงจริงมันแล้วจริงจริงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้มีงานว้างนะอาจจะหนึ่งวันก็ได้สองวันก็ได้ดูซิพระศิทธิ์ธรรมศาสตร์ของพวกเราคืนเดียวเท่านั้น ที่ทำเรื่องนี้นะทำไมเป็นนับเป็นเจดเือนเจ็ปีมันก็มีเรื่องเดียวเท่านี้มันหลงก็งี่ไม่หลงเท่านี้มาที่เดียก็คือหลองมาทีเดคือทุกมาทีเดีคือโกมาทีเดีคือพีษถกของวันเฉพาะมีเจ็ดเปี่ยนให้ไม่เปลี่ยแต่กับฉีหล่นั้นทานั้นเอง ถ้าองคคิดถึงพิมพาคิดถึงโลหิตคิดถึงประชาชนดูคิดถึงเสาขนอมกำลังใหม่คิดเหมือนกันแต่ว่ากลับมา mm hmm. ให้ไปนคนมีลูกก็คิดถึงลกูกคนมีเมียก็ ค, คิดถึงเมียคนมีผัวคิดถึงผัวก็มีแฟนก็คิดถึงแฟนคนนี้ มีความรักที่ถึงของมรักคนมีความเกียดชังคิดถึงความเกียดชังมีเคยกินยังไงเปิดเพื่อนอะไรมามันก็ต้องติดเรียกว่าวิญญา่งหย่าใช้ชีวิตผิดประเภทเขาไปติดอดอกไปความสงติดความโกรธติดความรักความช่าง ติดความสุขติดมทุกข์แล้วมันมีจิงไหมสิมันนไหนอยู่ความโกรธให้ดูสิไหนอยู่ความทุกข์ให้ดูสิไหนอยู่ความสุขความทุกข์มาดูสิความรความีจริงไหมแล้วก็ทาตามมันเวลามโกรธฆ่านั่ดากันิ้งกันได้ให้ความโกรธทำไมเกิดความแฉะ ให้ความรักตราเป็นความคนเสียคู่เสียคนอ่าอเสียก่อนไอห้าไอ้หนนะ้ะไปหลงทำไมไปทุกข์ทำไมไปโกรธกัไหนเรามีสิทธิสียทีของเรามันชั่วที่สุดยังต่ จะนลงแล้วบอก่าใไ้ลงได้ไหมไม่มีหแล้วหลงถ้าเราช่อใให้รู้สึกตัวเปลี่ยนลงเป็นไม่ลงน้องต้องลงฉันห้อยเที่ยงต้นหนึ่งตางมีสัทษธรรมมีแคามต่อเพเป็นบัตชะิพาน เป็นการสัมผัดถ้ามารู้ะจุก็เห็นมันจะจุไม่เห็นผู้จุถ้ามันเป็นตุกเห็นมันจะทนตุกไม่เป็นผู้ทุกข์อยนี้อันที่หนึ่งเห็นกันผู้สองสาลักษณะเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงก็ระจักรกลงเหมืนกับสามลักษณะสามเก้าที่จริงเวลาปฏิบัติมัน มันว่งกว่าอะไรยวเ่น ส, สติมันไวกว่าทุกอย่างสติมันไวกว่าทุกอย่างเป็นตัวอสิสระที่ใหญ่ในชีวิตเราเลยเแต่ตอนนี้อะไรเป็นใหญชีวิตเราอะไรไม่เ็นใหญ่ลอดูสิมานั่งอยู่ที่น า, ทนานทะ่าไหร่กินนานมานั่งอยู่ที่ น, นานทาหร่กจะได้คู่เขียเข้ารู้จึดตัวเียขนรู้จึดตัวนาท่าไที่จะได้ทำแบบนี้แล้วมันมีอะไรีรา้าพมาทําบบนี้ได้มันมีชาววชิโรมันที่จะเห็นวลงสิทัศ อ, อายุก็นอายุ พอกประเทมันร้เร่ดีนะแต่ก็ไม่เชื่อแน่อนเห็นมันกันแต่ภาพก็บินลำพเห็นคนเกิดเห็นคนเจ็บเห็นค น, น, คนตายเห็นสมนะตอนนั้นอายุต้่สหกัสาเป็นหเห็นเนี่ย เป็นการบ้านทำไมจังไหนความเกิดทําไมมีความแตกคงามเกความตายถามไครไม่มีใครตกพระเจ้าผู ก, รกพระเจ้าญาพระเจ้าตาพระเจ้าญไม่มีใครตกเป็นการบ้านของพระองค์อาณาญาที่เป็นเจ้าฟ้าชายเป็นเจ้า จนถ้ามีเกิดต้องมีไม่เกิดถ้ามีเจ็ต้องมีไม่เจ็บถ้ามีเจ็บต้องมีไม่เจ็ทถ้ามีตายต้องมีตายคิดได้แไนเหมือนกับมีร้อนมีหนาวมีก็คืคืนองมีกํางวันมีหูก็ต้องมีหูทีนี้มันทาไรทำนี้มัานจะทำได้จนถึงพัชชนมายุค29พรรษาออกศึกษาด้นี้ ตอนที่จะดีต่างๆอาจารย์ต่างๆในสมัยนั้นไม่มีใครทำให้กระจ่างเช่นู้ท้องหน่อยจนถึงพระสมัยรุยาอนถอนเดสองสองสองสองสองถีบกันหกพัหกันสามที่มาคู่แข่งเขา จากศึมาจากครูอาจารย์ทั้งหลายมานั่คู่แขนเข่าแขนหอกมัก็ต้องคิดสิ่ที่เราเรียนตาสิ่งทีไปทำเราคิดกลับมากบมานี้ยตู้นเข้าเขนหลอกตู้จะมาคิดไปกลับมากลัาชั่วโมงนึ หลงกับลูกอะไรมากกว่ากันแกตื่นหรือร่นนะตรงเ้นะก็ขยัรู้กันตุ่นขยเข้าแกขยันออกหลงคิดไปถึงลูกเคยมีลูกเหมือนกันน ะ, ะนนนาากลับมาเคยไม่มีเหมือนกันกลับมางานในการกลับมาเฮ้นี่คพล้กลับมาโดยไปจะต้องโขดกับมา <c oughs> มันมีมันกับด้วใช่มันผิดมาคำสองสิบปีมันกันคำมเะกิดมาได้ต้องหลงกลับมาเนี่ยควาหลงหกยไปต้องทุกข์กับมาควทุกข์ากหายปาก็เลยขยตัวเองใช้ได้จริงๆนะถ้า ม, ามัน น, ะคนคั่คิดหาควคิดแจ่ควคิดไม่มีมือเดี๋ยวนี้เรามีความคิดกับ หาคำตอกจากความคิดไม่มีการกระทำอะไรแ่ไม่ได้หายก็ตายไปก็อกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เอาสมองเอาความคิดมาใช่กันหาคำตอบแมนะ้แต่ความคิดก็หาควคิดมาตอนอกทิ้งลงดูที่สัมมา ด, ดูตรงไหนออกจะออกไปกลับมาควาคิดไปกลับมา าาา อ, อาชุกลับมาันทุกข์กลับมาจากมันนี้อยาออกไปบัดแค่ปัดแค่กลับมาอย่างเนี้ยไม่นานะไม่นาเห็นลูกเห็นหนอนแต่ก่อนเห็นกายเห็นใจแต่ตายเห็นใจ น, น, นี่กายจริงจริงนี่ใจจริงจริงมันคิดไปต้องไปตายเป็นโชุกตามันสุกก็เป็นโชุ เวลามาทุกก็เป็นทุกข์เวลามาร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หนาวเวลาหิวก็หิวเวลาปวดก็ปวดท่ามกลางดังถ้ามาดูไปดูมาเป็นรูปเนี่ยะเป็นรูปเนี่ยนะทนี่มันก็เป็นรูปรูปมันทําดีทำนั่นนี่ก็เป็นรูปรูปมันทําไม่ดีน้ําก็เหมือนกันคิดอย่างนี่เป็นน้มันทําไม่ดีน้ําทําไม่ดี มันคิดแบบนี้นามมาันทำดีอ้เอาเราเห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนามเราเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ต้องเรียกว่าร้อนไม่ต้องเรียกว่าหนาวเป็นอาการของรองูวงมสุความทุกข์ที่เกิดจากนามมันเป็นอาการของนามมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนจักแต่ว่าเทเลวัน กายสัตแต่ ว, ว่ากายไม่ใช่สัตวองค์ตนตั ว, ตวล้อของเวทนาที่ไปทุกข์ไทุกขสัวแต่ว่าไม่ใช่สัตคตนตั ว, ตวลออ้อของจิตที่มันคิดไปโน่นก็นี่สัตวแต่ว่าิตไม่ใช่สัตวตุอค์ตนตัวลอแค <med an> ่คไม่ติ่งเราเราทุกข์เราทุกข์เราคิดเรานอนไม่หลอกเอาเหตุเอาผลมบาบวมบนจิต มันเป็นตัวเป็นตนเ ม, มื่อมาเห็นโน ก, กเห็นนามไม่ใช่เราหรืเป็นอาการธรรชาติที่คือวัต น, นัไม่มีค่าคิดจย้ยคำวาอาการาเนี่ยมันเป็นอาการนั้นแค่หล่อเท่ า, านันนขอคุณมาแ น, นว่ะเนี่ยแต่ก่อนเป็นโทษนะก้อนหิ้วก็เป็นโทษทุกควเดียวก็เป็สุข อมมาเป็นุขเป็ท น, ท, น, ท, นทุกข์วันที่หูเป็นทุกข์ทำไมเจตจารย์มาเพราะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนกรดหิวถ้าเห็นควหิวเป็นอาการความหิวเป็นอ า, าร า, า, ารของรูปนา่นากชือฌา ถ้ารู้ไม่มีความเหนีวมันก็ต้องตายแน่นอนถ้ารู้ไม่มีความนอนโลกก็ต้องเป็นทุกถ้ารู้ไม่มีความหนาวโลกก็ต้องเป็นทุกเป็นฉันยานใจของเขาเป็นฉันยานใจของเขาของรู้โอคุณมมันยางมากๆเลยไม่เอามาเป็นทุกข์นี่ใจเป็นเดีารมานันชันมีประโยชน์ ให้แต่นาว่ากันถ้าไม่มีโกดเป็นอาจารย์ของนาเราจะได้ช่วยนาได้ช่วยนาด้วยจะช่วยอะไรบ้างด้วยจะช่วยลูกด้วยจะช่วยนาแต่ก่อนช่วยไม่เต็ม น, นอนอยู่กับความโกรธข้ามวันข้ามคืนนอนอยู่กับความทุกข์ข้ามวันข้าเป็นครา้งปีก็มีหรือบางทีถ้ากูได้โกดเราตายไม่รึ มันก็คิดไปแต่นันโอ้ยวันนี้ก็ทำต่อเกือบรวมเสียเปลียนคนโกดมาเสียเปียบคนทุกมาเสียต่ทที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอขอโทษเคยขอดแค่เคยทะไปเคยตออยากขอโทษคิดถึงคนพ่อคนแม ทิศถึงคนพ่อคุณแม่ิศถึงคุณอรตังกาเป็นคุณเห็นข้าทาเ็นความเ ม, มตตากาอนความรักเหมือนกันรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รัลกลูกรักเนี่ยบรด น, นี้รักในข้เสียพราะมันเห็นหน้าตารเราน่นะกระตอือรือร้นแหมมานานเท่าไหร่ เรานั่งอีกชั่วโมงหนะหลงกับรู้อะไรมากกว่ากันมันไปที่ไหนบ่เวลานี้เรานั่งอยู่ชโกโตมันไปท็่ไหมด้วจะกรมาไหมเอาอันสิ่งที่มันไปเป็นตัวเป็นตนหรือมันยังหนาแนะนะ่นมันดือนะ้อยน่ะมันด้านแนะ่นออชุปปกเ ป, <c oughs> ป็นสุกเป็นทุกเป็นทุกทุกคน ด, ดื้อด้านไม่จุดจ่อบุตุชนทนะั้ เขียนว่านี่เป็นการลอย่าะปุถุชนเป็นมิตรกับตัวเองเป็นธรรมกับตัวเองนะบัดเป็นธรรมกับตัวเองนะบัดมีทางละลูกเป็นธรรมต่อนางนาะงเป็นธรรมต่อลูกแต่ก่อนเขาปีเตียงกันนะเวลานอนใจเป็นทุกข์เวลาโกรธลูกเป็นทุกข์ นอนไม่หลักหักกระระหว่างรูปนามที่เปียนกันนามารงเท่ ก, กันระหว่างกายระหวังก า, ววงกามาเป็นมาเป็นเตูกันเลยกบดเป็นทุกข์กา น, นอนไม่ได้ติดไม่ได้เกิดโลกก็พอามันล กลาเจ็บไข้เรียงผัวเป็นทุกข์จากางวนจะเป็นยังไงทำไงจะเจ็บกันไงะอะไรจะเป็นยังไงหูอนูหนหอ น, นี่ปถ้าถ้าถ้าไม่กดขัดตะกอในใจอย่างนั้นจริงจริงพวกมัเห็นลูกเห็นน้ำเห็นอะไรกางโดยธรรมชาติเห็นเป็น ทำมาที่ไตเป็นทรรต่อขานเราการเป็นธรรมอาลูกเป็นธรรมต่อนามนามเป็นธรรมต่อูกเหมือนกับเหมือนกับพ่วงแเขียนเป็นทรรต่อสามขันมาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระแสใต้กองหลงการกระแสผมไม่หลงง่ายๆแบบ ตรงเงินทในกอทกนี้ก็เฉลย้ผู้ไนปัญหาในกเยป็นปัญญาในก็เฉลป็นเลวๆผู้มีสติผู้จะเล่สติเห็นลูกเห็นหนามเห็นความไม่เที่ยงของลูกเห็นความไม่เที่ยงของหนามเห็นควไม่ใช่ตัวตนของหนามเอาเลวๆในเรเกิดก็ต้องาไม่เกิดชัดเนประ ใคนคอนแก่ต้องมีความไอแก่ในคนเก็บต้องมีความเจ็บใ้คนอคนตาต้องมีคมามตาก็เลยเห็นแบบเป็นเป็นทิศสิที่ใช้ได้ที่สุดเลยมันทุกไม่เป็นผู้ทุกมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผูท้ทุกไทางนี้ก่ มันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นรู้โกรธคนจะาความโกรธอะที่มันมีปัญหามันลักษาเดียวกันในฉนังนี่รรมะอันเดียวธรนมะชเดียวธรรชนดเดียวธันมะฉนักจะโกรธอย่างไรนึ่งเดียวแล้วอ่ะเรียกัตวีเขาป่าหัวเลยทีเดีวแรกก็ รู้เคยพูดรู้รูรู้หนารู้หมดเหมือนหนมตราอยู่โชโกโตูหมดรู้ตรงที่เราตาดูแค่เกี่ยวมันเนี่ยคลองไปตื้อรูหมดที่ไหนที่ไหนรูหมดแต่จหไว้เลขกติมาได้แต่นั่งนับที่นี่กตินอกได้อะ เท้าม่าไหรเท่าไห่สี่เทาไห่เดียวว่าหลักเดียวมันหลักเดียวเลยทุก <c oughs> สมุทัยในโลกมัจะเป็นสีอย่างเนี่ยทุกเห็นทุกไม่เคยกูทุกมันจะทุก สมุทัยเสนเหตุในเกิดตัไม่ําเหตุเพิ่มเกิดเหตนิรคือทำให้หมดกัแล้วทุกหมดไล้วต้งโกดหมดไปแล้วต้องอะไรต่างๆหมดไปแล้ววิธีดาเนินชีวิตมัดคือดูหลวเอาหลอนอยู่ที่ไหนทีหยานีอยู่ที่ไหนไปดูปวัดที่ดูวัดที่ดู ภาวะที่ไม่เป็นอ๋อ่ า, ายานะ่นะายภาวะที่ดูภาวะที่ไม่เป็นเนี่ยอ้าายสดวกสะวภาวะที่เป็นเยายาชุกเป็นชุกเตออ้ยกลเกลือนเลยโอแค่ผาอ้อมบ้านจังจะก ถ้จะให้โกรธเป็นโกรธอ่านะายกวดแค่ผ้าอ้มา อ, <c oughs> อมบ้านแล้วก็เค่ฮะฮฮะวันขมขื่นเลยเอบาบังคับบังคับคดยทยแก่ผ้าอ้ อ, อมบ้านถ้าให้โกรธฮะความโกรธไม่มีใครบังคับหรอกแต่ให้แก้ผ้าอ้ อ, อมามันอาจจะทำไม่ลงควทุกข์ทำไม่ลงความโกรธทำไม่ลง ให้ลงจริงๆนะอันนี้ทุกความคิดนี่ไเีดายนิดๆหน่อยๆมันก็อยู่ตรงนี้แนล ะ, ะทุกว ค, คิดนที่สุดก็สุดตรงนี้นะสุดตรงนี้นะสุดแผ่นดินตรงนี้อ่าถ้าไม่สุดมันทุกม ค, คิดแล้วสุดตรงนี้ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะทํานะเรียกว่าอาการดับไม่เหลือของนามลูกนามลูกคือความคิดดับไม่เหลือรองนามาลูกที่ว่าตายตายกอตายเหมือนสวนโมกปัญญาสวนโมกคือตายกองตายเคยได้ยินไหม ได้ยินมาไนดะ้สี่สิบปีแล้วนะมียาสวนหมวกตายพรตายก็เด็กไม่เหลือของหนามารูปไม่มีชาติลมในี่างไม่มีชาติตัวกลางไม่มีชาติแตนจิตนิยาเฉยเฉเชียอว่าไม่เป็นอาไรกับอะไรว่าสาหรยควเกิดสาหร่ายความเจรความเจรความตา ถ้ามันถึงตัวนี้แล้วมันไม่ต้องมีอะไรบ้างอันนี้นะมัน่าจจะเป็นอันคาสุขความทุกข์เกิดจากผู้จากนามอันควเกิดความทุกข์เกิดจากความรักอมมันจิบจ้อยเหลือเกินถ้าไปถึงความเกิดความเกลจะทำลายความเจ็บเคยเจ็บหมายควาตายเคยตายหม มันจะทำนาน้าอะไรเดินออกมาอย่างที่เป็นดีไม่ไงก็เรื่องแฉ่ความเจ็บความตายทุกคนต้องไปตรงนี้กันจะทำอย่ไงไรรอวันรอวันนั่นเรยกลัวตัองนั่นเลอไม่มีใครที่จะเห็นแล้วนี่ตามตัวจริงๆนะ ว่านั่นเราจะต้องให้ถึงวันนั่นเรือไม่ใช่ปืนแต่เด็กสิทธิ์กระหนุนจ้าปฏิบัติธรรมไหมหลักเรีรเยนทำอาจารย์เรยนไม่ได้นะเรือ่องนี้ะต้องมีสติจันเดียวตักย็กยตัวใอย่างเดียวนี้จะปฏิบัติที่ไหนก็อยู่ที่นี่มีกายมิใจมีรูปมีนามนี่ไม่มีอะไรชิ้นไหนไม่ใคยมีใครช่วยเราได้ เราไม่เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงไม่มีใครเปลี่ยนให้เราได้ถ้ามันโกรธไม่เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธไม่มีใครเปลี่ยนให้เราได้เรอยู่ได้เราต้องช่วยตัวเองถึงเดิมเนะี่ยมันก็อยูกของเราแท้ๆเพียงมาฝึกหัดให้มันรู้คิดทางลูเ้เหตนที่รูใ้ใยภูมิรู้เดี๋ยวนี้เห็นเดียวนี้แต่ลูกเหตุที่รูใชใจภูมิก็ถือว่าเป็นนักรบที่เท้จริง มีทางชนะอย่างเดียวทราบลูกชายโมที่ดีไม่มีแชมีแต่ชนะยิ่งเรามาเห็นลูกเป น, นานเหมือนกับว่ามันบอกไปหมดเลยทะลุทะลุลไปเลยลูอกอย่างโคตรคมมปเที่ยงผมไปทุกคนไม่ใช่ตัวตนเดทราความเที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขรไม่เที่ยงยั ง, งเที่ยงมันก็ยิงไกยิงได้ไกล รูกเสีที่ทั้งยิงเลยใจเห็นหลงไลยหลงเปลี่ยนหลงทำไมหลงพ้นจากคงหลงแม่นยาวยิงไว้ยังแม่นด้วยแม่นยางเลวแม่นยาวเลยถูกเฝ้า ถ, ถูกที่ถูกตอมีฐานชนะอย่างเดียวนะเห็นหลงไม่หลงพ้นจากควหลงแม่นจป็นทะี่หน่งเห็นโก ไม่โกร้คนจากกองโกรธเนี่ยยิงเลยแม่ถ้าเป็นมาพลุมีทางชนะเราเป็นต่างพวกแต่ไม่เดวอข้าวจึงของเราคือมีเหมือนกันอิเลพันนาธนาเราแต่เคยเจริเจริญจริงให้แม่ลูกเหนที่ยิงได้ไกล ยิงได้แม่นวายด้วยไก้ยๆยังไม่วายไม่ร n ้อะไรวายแล a ว e ม่นเจาะเพร่อยู้าวิตต่างไปเรื่องงานี่าา